ที่เพิ่มอารมณ์การกำหนดผู้ปฏิบัติธรรมที่กำหนดรู้สภาวะธรรมปัจจุบันโดยนว่าพองหนอยุบหนอนั่งหนอเป็นต้นได้ดีแล้วและมีสมาธิเพิ่มมากขึ้นก็ควรกำหนดรู้สภาวะสัมผัสหลายแห่งที่ปรากฏทางร่างกายรวมไปด้วยสภาวะเห็นหรือได้ยินเป็นต้นที่ปรากฏชัดเจน เมื่อปฏิบัติดังนี้แล้วรู้สึกกำหนดได้ไม่ดีมีความฟุ้งซ่านปรากฏขึ้นรู้สึกเหนื่อยก็ควรลดวิริยะลงโดยกำหนดสภาวะพองยุคและสภาวะนั่งเป็นต้นต่อเมื่อการกำหนดรู้ดีขึ้นมีกำลังสมาธิมากขึ้นจึงเพิ่มการกำหนดให้มากขึ้นกว่าเดิม ในบางขณะที่นักปฏิบัติดำรงสติกำหนดรู้สภาวะธรรมที่ปรากฏชัดเจนในร่างกายแม้จะไม่ได้ตั้งใจกำหนดมากนักก็อาจอยังเห็นสภาวะได้ยินว่าเป็นสภาวะที่ดับไปอย่างรวดเร็วโดยไม่ต่อเนื่องกันในบางครั้งอาจพบว่าสิ่งที่เห็นนั้นได้ดับไปอย่างรวดเร็วบางท่านแม้จะตั้งใจดู ก็มองไม่เห็นชัดเจนเพราะเห็นความดับไปอย่างรวดเร็วทำให้รู้สึกว่ามองเห็นได้ไม่ชัดเจนคล้ายกับการดูภาพยนต์ที่มีภาพขาดหายไปเป็นช่วงๆหรือสายตาฟ้าฟางหรือรู้สึกเวียนศีรษะความรู้สึกดังกล่าวเป็นสภาวะธรรมที่เกิดจากการไม่รับรู้สมมุติบัญญัติอย่างชัดเจนเพราะได้เห็นสภาวะ เห็นที่ดับไปเป็นลำดับขั้นจนกระทั่งมองไม่เห็นสมมติบัญญตัติแต่ถ้าหยุดกำหนดก็จะพบสมมุติบัญญัติที่ปรากฏชัดเจนตามปกติบางท่านรู้สึกว่าสติของตนสามารถกำหนดรู้รูปนามปัจจุบันได้ตลอดเวลาแม้จะนอนหลับพักผ่อนก็หลับไม่สนิทมีความแจม่มใสทั้งกลางวันและกลางคืนก็ไม่พึงกังวลกับการหลับนอน เพราะไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแต่อย่างใดควรพยายามกำหนดอย่างต่อเนื่องต่อไปเมื่อวิปัสสนาญาณมีกำลังเพิ่มขึ้นและสติของผู้ปฏิบัติย่อมปรากฏเหมือนดิ่งเข้าไปสู่อารมณ์ปัจจุบันเมื่อผู้ปฏิบัติทำอย่างเห็นความดับไปของสภาวะธรรมปัจจุบันและจิตกำหนดรู้อย่างนี้แล้วย่อมพิจารณาว่าสภาวะธรรมทุกอย่าง ไม่ได้ดำรงอยู่ชั่วขณะที่กระพิบตาหรือสายฟ้าแลบมีสภาพไม่เที่ยงแม้สภาวะธรรมที่เกิดขึ้นแล้วหรือที่จะเกิดขึ้นต่อไปล้วนมีสภาพไม่เที่ยงต้องดับไปอย่างรวดเร็วในขณะนั้นควรกำหนดจิตให้คิดพิจารณ า, านั้นด้วยนอกจากนั้น ในบางขณะที่กําหนดรู้อยู่อาจพิจารณาถึงความน่ากลัวได้หลายลักษณะเช่นเมื่อก่อนนี้เราขาดปัญญาอย่างเห็นจึงอยู่อย่างเบิกบานใจเมื่อได้พบกับความดับของรูปนามก็เข้าใจว่ารูปนามช่างน่ากลัวจริงทุกเวลาเป็นขณะของความตายที่รูปนามต้องดับไปตามธรรมชาติช่างน่ากลัวจริงการเกิดขึ้นในพบนี้ช่างน่ากลัว แม้การเกิดขึ้นใหม่ในพบต่อไปก็น่ากลัวรูปนามไม่มีรูปร่างสันฐานแต่การปรากฏของรูปร่างสันฐานที่ไม่มีจริงช่างน่ากลัวการภาคเพียนเพื่อทำให้รูปนามที่จะต้องดับไปอย่างรวดเร็วตั้งอยู่อย่างเป็นสุขช่างน่ากลัวจริงความเกิดช่างน่ากลัวจริง ความแก่ความเจ็บความตายความเศร้าโศกคล่ํมครวนและความคับแค้นใจช่างน่ากลัวจริงผู้ปฏิบัติธรรมที่พิจารณาดังนี้แล้วควรกำหนดที่การพิจารณานั้นด้วยนอกจากนั้นในบางขณะอาจพิจารณาถึงรูปนามที่ถูกรู้และจิตที่กำหนดรู้ว่ามีสภาวะหยาบไม่ละเอียด มีสภาวะต่ำซามมีสภาวะไร้ค่ามีสภาวะน่ารังเกียจเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปไม่ดำรงอยู่ตลอดกาลนานอันหนึ่งในบางขณะอาจรู้สึกว่าร่างกายทั้งหมดเน่าเหม็นหรือเหมือนฟองน้ำที่แตกง่ายเมื่อประสบการณ์เหล่านี้ปรากฏขึ้น แม้จะตามระลึกรู้รูปนามที่ปรากฏชัดทางทวารหกก็ปราศจากความเพลิดเพลินในรูปนามเหล่านั้นแม้จะยังเห็นความดับไปของรูปนามอย่างชัดเจนก็ไม่รู้สึกพอใจการปฏิบัติธรรมเหมือนในวิปัสสนาญาณต้นๆและก็ย่อมรู้สึกเบื่อหน่ายไม่รื่นรมในการปฏิบัติ แต่ไม่อาจยกเลิกการปฏิบัติได้เลยเหมือนคนที่เดินไปบนทางที่เปื้อนอุจจระแม้ว่าจะรังเกียจก็ต้องเดินเหยียบไปตามทางลำดับนั้นเขาย่อมเข้าใจว่ามนุษย์โลกไม่อาจพ้นไปจากรูปน้ำที่ดับไปอย่างรวดเร็วได้แม้จะเกิดเป็นมนุษย์บุรุษสตรีพระราชาหรือเศรษฐีก็ไม่น่าเพลิดเพลิน มีแต่ความน่าเบื่อนายหรือเมื่อพิจารณาถึงเทวโลกและพลมมโลกก็เกิดความเบื่อนายตามในดังกล่าวนี้ผู้ที่เบื่อนายรูปนามแล้วย่อมรู้สึกต้องการจะหลุดพ้นไปจากรูปนามที่กำหนดรู้อยู่โดยดำริว่าสภาวะทั้งหมดที่เป็นการเห็นได้ยินกระทบสัมผัสนั่งยืนเหยียดคูเป็นต้น ถ้าไมปรากฏโดยสิ้นเชิงก็จะเป็นการดีถ้าสามารถละทิ้งสภาวะทั้งหมดไปสู่ความหลุดพ้นได้ก็จะเป็นการดีเราอยากบรรลุสภาวะดับทุกข์ซึ่งพ้นไปจากรูปนามทั้งหมดผู้ปฏิบัติธรรมควรกาหนดรู้ความดำริดังกล่าวอีกด้วยในบางขณะอาจดำริว่าทำอย่างไรจึงทำให้รูปนามดับศูนย์ไป เมื่อกำหนดรู้อยู่ในบัตรนี้ได้พบแต่สภาพที่ไม่น่าเพลิดเพลินถ้ามิได้กาหนดรู้สภาวะเหล่านั้นก็จะเป็นการดีความดำรินี้ควรต้องกำหนดรู้เช่นเดียวกันบางท่านอาจหยุดกาหนดไปตามความดำริที่เบื่อน่ายแม้จะหยุดกาหนดไปชั่วขณะรูปนามีการเห็นและการได้ยินเป็นต้น ก็ยังปรากฏอย่างต่อเนื่องเพราะรูปนามเหล่านั้นปรากฏชัดด้วยกำลังวิปัสนาและผู้ปฏิบัติธรรมก็สามารถรับรู้รูปนามได้อย่างชัดเจนเขาย่อมเข้าใจว่ารูปนามย่อมปรากฏเหมือนเดิมและสติก็ตามกำหนดรู้ได้อย่างต่อเนื่องดังนั้นแม้จะไม่ได้กำหนดรู้ในบัดนี้ก็ไม่อาจสละพ้นไปจากรูปนาม จะต้องอยังเห็นไตรลักษณ์คือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนจึงจะวางเฉยรูปนามและบรรลุ ค, ความดับทุกข์คือพระนิพพานที่ดับรูปนามทั้งหมดเมื่อนั้นรูปนามจึงจะดับไปโดยสิ้นเชิงหากผู้ปฏิบัติธรรมไม่อาจพิจารณาเองได้ก็ควรทำความเข้าใจตามคำแนะนำของพระวิปัสสนาจารย์แล้วปฏิบัติต่ตอไป เมื่อบางคนกลับมากำหนดอีกจนกระทั่งวิปัสสนาญาณแก่กล้าขึ้นอาจพบกับทุกขเวทนาที่รุนแรงจงอย่าท้อถอยเพราะสภาวะนี้เป็นลักษณะของทุกข์ที่มาปรากฏเหมือนกองทุกข์หรือรังโรคตามพระบาลีว่าทุกขโตโรคโตคันทัโตสัลละโตอาคโตอาพาทัโต ย่อมอยังเห็นว่าเป็นทุกข์โรคฝีลูกศรอนเสียบทุกใจและอาพาธเขาควรอดทนกำหนดให้ข้ามพ้นทุกขเวทนาไปบางท่านไม่พบทุกขเวทนาที่รุนแรงนี้แต่พบกับลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งในลักษณะ40อย่างของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนดังที่จะกล่าวถึงต่อไป ในปฏิสังขารยานเขายอมรู้สึกว่าแม้จะกําหนดได้ดีโดยประศจากความฟุ้งซ่านก็รู้สึกเหมือนสติไม่อาจจะดิ่งลงสู่สภาวะธรรมปัจจุบันอย่างชัดเจนความรู้สึกดังกล่าวเป็นความไม่เพลิดเพลินในการปฏิบัติธรรมเพราะได้อย่างเห็นไตรลักษณ์โดยประจักษ์บางท่านไม่เพลิดเพลินกับการปฏิบัติอาจเปลี่ยนอิรยบท หลายครั้งเช่นเมื es, er well. ่อนั่งอยู่ก็สําคัญว่ากําหนดไม่ได้ดีจึงเปลี่ยนไปเดินจงกรมหรือเมื่อเดินจงกรมอยู่ก็สําคัญว่ากําหนดไม่ได้ดีจึงเปลี่ยนไปนั่งกรรมฐานหรือเมื่อนั่งอยู่ก็สําคัญว่ากําหนดไม่ได้ดีจึงเปลี่ยนไปทําอิริยาบถย่อยที่เหยียดและคู้เป็นต้นหรือเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติธรรม หรือต้องการจะนอนกำหนดเพื่อให้รู้สึกดีขึ้นแม้จะเปลี่ยนอิริยาบถหลายครั้งอย่างนี้ก็ไม่อาจอยู่ในอิริยาบถนั้นได้นานและยังคงต้องเปลี่ยนอิริยาบถอีกหากเป็นดังนี้ไม่ควรท้อถอยความรู้สึกเช่นนี้เป็นความเข้าใจในรูปนามว่าไม่น่ายินดีเพลิดเพลินและโดยเหตุที่ยังไม่อาจวางเฉยเหมือนในขณะบรรลุ สังขารุเปกขายานจึงทำให้รู้สึกว่าแม้สติจะระลึกรู้ได้อย่างชัดเจนก็ไม่เพลิดเพลินในการปฏิบัติในขณะนั้นจึงควรอดทนกําหนดอยู่ในอริยาบทเดียวให้นานก็จะรู้สึกว่ากําหนดได้อย่างน่าเพลิดเพลินมีความสุขจิตจะค่อยๆสงบแจ่มใสแล้วก็จะต้องการอยู่ในอริยาบทอย่างเดียวนั้น ไปเมื่อวิปัสสนาญาณแก่กรา จ, จนกระทั่งสามารถวางเฉยไม่ต้องเพ่งรูปนาเหมือนก่อนจิต ท, ที่กาหนดรู้มีความผ่องใสละเอียดอ่อนผู้ปฏิบัติธรรมย่อมรู้สึกว่าสามารถกาหนดรู้ได้ตามธรรมชาติแม้จะไม่ได้จดจอก็อยังเห็นรูปนามที่ละเอียดอ่อนได้และ รู้เห็นไตร ล, ลักษ์ได้อย่างประจักษ์โดยไม่ต้องพิจารณาใกล้ครวนประสบการณ์ที่จะได้รับมีดังต่อไปนี้สภาวะสัมผัสปรากฏชัดเจนโดยร่างกายหายไปสภาวะสัมผัสละเอียดเบาบางเหมือนกระทบกับปุยนุ่นสภาวะสัมผัสปรากฏชักทั่วร่างกายและสติก็ตามรู้ได้อย่างรวดเร็วเหมือนหมุนวนไปทั่วร่างกาย กายและใจเหมือนลอยขึ้นสู่เบื้องบนสภาวะธรรมปัจจุบันไม่ปรากฏชัดเจนแต่สามารถรับรู้สภาวะสงบกายและใจได้เป็นเวลานานร่างกายและสภาวะพองยุบนั่งเป็นต้นหายไปเหลือเพียงจิตที่ยังเห็นความเกิดดับเท่านั้นปีติที่เหมือนพรมน้ำไปทั่วร่างกายปรากฏขึ้นปัสธิคือความสงบกายและใจปรากฏขึ้น แสงสว่างแจ่มชัดเหมือนท้องฟ้าสว่างปรากฏขึ้นความดีใจที่เกิดจากการได้พบกับประสบการณ์เหล่านี้มักไม่มีกำลังมากเหมือนในวิปัสสนาญาณขั้นต้นแต่ผู้ปฏิบัติก็ควรกำหนดรู้และควรกำหนดปีติปสัสสติพร้อมด้วยแสงสว่างอีกด้วยถ้ากำหนดแล้วสภาวะเหล่านั้นไม่หายไป ก็ไม่ควรสนใจโดยให้ถือว่าเป็นฉากหลังควรกำหนดรู้สภาวะธรรมปัจจุบันสืบต่อไปในยานระดับนี้ผู้ปฏิบัติธรรมย่อมเข้าใจอย่างชัดเจนว่ามีเพียงสภาวะธรรมคือรูปนามสังขารที่เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยไม่ใช่ตัวเราของเราคนอื่นของคนอื่นเขาย่อมรู้สึกเพลิดเพลินในการปฏิบัติธรรมยิ่งนัก สามารถดำรงอยู่ในอิริยาบถได้นานโดยปราศจากทุกขเวทนามีความเจ็บปวดเมื่อยชาและคันเป็นต้นแม้จะนั่งหรือนอนเป็นเวลานานสองหรือสามชั่วโมงก็คิดว่าไม่นานปราศจากความปวดเมื่อยเหมือนการก่อนและร่างกายศีรษะมือเท้าก็สงบนิ่งไม่เคลื่อนออกไปนอกสถานที่เดิม ในบางขณะการกำหนดรู้ดำเนินไปดีมากโดยสติดำเนินไปอย่างว่องไวอาจทำให้ผู้ปฏิบัติทำกังวลใจควรกำหนดว่ากังวลหนอบางท่านอาจพิจารณาว่าวิปัสสนากำลังก้าวหนา้าควรกำหนดว่าพิจารณาหนอบางท่านอาจตั้งความหวังว่าวิปัสสนาจะก้าวหนา้าควรกำหนดว่าคาดหวังหนอ เมื่อกำหนดดังนี้แล้วควรตามรู้สภาวะธรรมต่อไปอย่าเพิ่มหรือว่าลดการจดจอ่อบางท่านไม่อาจกำหนดสภาวะกังวลการพิจารณาความดีใจหรือการตั้งความหวังทำให้การกำหนดรู้ไม่ต่อเนื่องแล้วก็ลดกำลังลงบางท่านเพิ่มความเพียรโดยดําริว่าเรากำลังบรรลุธรรมจึงทำให้การกำหนดไม่ต่อเนื่อง ที่จริงแล้วความคิดฟุ้งซ่านที่เป็นความกังวลการพิจารณาความดีใจหรือการตั้งความหวังทำให้ความก้าวหน้าลดลงเพราะขั้นวิปัสสนาวิถีไว้ไม่ต่อเนื่องดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมจึงควรกำหนดไปตามปกติเมื่อสติว่องไวขึ้นไม่ควรเพิ่มหรือว่าลดความเพียนในการกำหนด หากปฏิบัติไปตามนี้ก็จะสามารถบรรลุความดับทุกข์ได้ในที่สุดบางท่านได้บรรลุวิปัสสนาขั้นนี้แล้วอาจเสื่อมถอยจากสมาธิในบางขณะแม้จะทำได้ขึ้ น, ข, นขึ้นลงลงอย่างนี้หลายครั้งก็ท้อถอยควรกระจายการกำหนดให้ทั่วร่างกายโดยรับรู้สภาวะธรรมที่ปรากฏชัดเจน ทางทวาร6กก่อนที่จะรับรู้ถึงความสงบละเอียดอ่อนในจุดใดจุดหนึ่งเพื่อให้วิปัสสนาญาณมีกำลังเพิ่มขึ้นเมื่อรู้สึกถึงความสงบละเอียดอ่อนนั้นได้ก็หยุดกระจายการกำหนดไปทั่วทวารทั้ง6เมื่อกำหนดรู้เท่าทันสภาวะธรรมปัจจุบันโดยเริ่มจากการตามรู้สภาวะพองยุบสภาวะนั่ง หรือเริ่มจากการตามรู้สภาวะทางกายและใจอย่างอื่นสติย่อมปรากฏชัดเจนอย่างต่อเนื่องแม้มิได้จดจ่อมากนักก็สามารถกำหนดรู้เท่าทันได้อย่างสงบไม่ซัดสายเหมือนเฝ้าดูสภาวะธรรมที่แตกดับไปเองอย่างรวดเร็วในขณะนั้นจิตจะไม่ใส่ใจอารมณ์ที่ก่อให้เกิดกิเลสคือแม้จะพบกับอารมณ์ที่น่าชอบใจ ก็ไม่คำนึงว่าน่าชอบใจหรือแม้จะพบกับอารมณ์ที่น่ารังเกียจก็ไม่คำนึงว่าน่ารังเกียจจิต ด, ดำรงอยู่ในสภาวะเห็นได้ยินรู้กลิ่นลิ้มรสกระทบสัมผัสหรือคิดถึงเท่านั้นอุเบกขามีองค์หกตามที่กล่าวไว้แล้วในปริเฉตที่สย่อมปรากฏชัดเจนฉลังคู่เปกขา คืออุเบกขามีองค์หกหมายความว่าความวางเฉยไม่ยินดียินร้ายในอารมณ์หกที่มาปรากฏทั้งทวารทั้งหกโดยองค์ธรรมได้แก่ตัตรมัตชะตตาเจตสิกเมื่อนั้นย่อมปราศจากความคิดฟุ้งซ่านโดยสิ้นเชิงไม่มีแม้กระทั่งความคิดว่าตนนั่งอยู่นานเท่าไหร่ หรือเวลาผ่านไปนานเท่าไรอย่างไรก็ตามหากวิปัสนาญาณของเขายัางไม่แก่กล้าจนสามารถบรรลุมรรคยานได้เมื่อนั่งกรรมฐานนานหนึ่งหรือสองหรือสามชั่วโมงแล้วความจดจ่ออาจลดน้อยลงส่งผลให้การกำหนดรู้ไม่ต่อเนื่องหรือเกิดความฟุ้งซ่านได้บ้างในบางขณะ อาจรู้สึกว่าสติมีความว่องไวกว่าเดิมทำให้ดีใจคิดฟุ้งซ่านว่าเรากำลังจะก้าวหน้าเขาควรกำหนดรู้สภาวะคิดฟุ้งซ่านความคาดหวังหรือความดีใจดังกล่าวเมื่อตั้งใจกำหนดรู้เท่าทันแล้วก็จะประสบความก้าวหน้าต่อไปแต่ถ้าวิปัสสนาญาณยังไม่แก่กล้าก็จะเสื่อมถอยไปจากสมาธิ บางท่านปฏิบัติได้ขึ้นขึ้นลงๆตามในนี้หลายครั้งผู้ที่เข้าใจลำดับยานมักปรากฏสภาวะอย่างนี้มากกว่าคนทั่วไปดังนั้นผู้ที่ปฏิบัติธรรมกับวิปัสนาจารย์จึงไม่ควรเข้าใจลำดับยานก่อนเพื่อให้ก้าวหน้าเร็วขึ้นแม้เขาจะพบกับประสบการณ์ดังกล่าวนี้ก็ไม่ควรท้อถอยควรเข้าใจว่าตนอยู่ใกล้กับมรรคผลแล้ว หากอินรีห้าคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญามีความแก่กล้าสมดุลกันก็จะยังเห็นมรรคผลนิพพานโดยประจักษ์ได้ในชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นบางท่านที่เข้าใจลำดับญาณแล้วอาจทำให้คาดหวังหรือจินตนาการปรุงแต่งให้เกิดลำดับญาณส่งผลให้ก้าวหน้าช้าแต่ผู้ที่ไม่คาดหวังและตั้งใจปฏิบัต ตามความเข้าใจในลำดับยานย่อมก้าวหน้าเร็วเหมือนการรู้แผนที่เดินอย่างถูกต้องย่อมทำให้มั่นใจในการเดินทางของตนและไม่เดินทางผิดการบรรลุนิพพานวิปัสสนาญาณที่ดำเนินไปขึ้นขึ้นลงลงอย่างนี้ เหมือนกับนกที่ถูกปล่อยจากเรือเดินสมุทรเพื่อค้นหาฝั่งในสมัยก่อนนักเดินเรือมักจะปล่อยนกเพื่อค้นหาฝั่งในเวลาหลงทางนกนั้นจะบินไปสำรวจฝั่งที่ทิศ ท, ทั้งสถ้ายังไม่พบก็จะบินกลับมาสู่เรืออีกถ้าพบก็จะบินตรงไปหาฝั่งความเสื่อมไปของวิปัสสนาญาณที่ยังไม่แก่กล้า เหมือนนกที่บินกลับมาสู่เรืออีกส่วนวิปัสสนาญาณที่แก่กล้าด้วยกําลังอินทรี่ห้เหมือนนกที่บินเข้าหาฝั่งวิปัสสนาญาณดังกล่าวปรากฏอย่างรวดเร็วเพียง3มหรือสขณะจิตแล้วสามารถอย่างเห็นความเกิดดับของสังขาร6อย่างคือการสัมผัสการรับรู้การได้ยินการเห็นการรู้กลิ่นการลิ้มรส ในที่นี้เรียงลำดับตามสภาวะที่ปรากฏได้ง่ายไปหายากผู้ปฏิบัติธรรมย่อมรู้แจ้งเห็นประจักษ์ความดับไปของอารมณ์ที่ตนกำหนดรู้แล้ววิปัสนาจิตแล้วจึงบรรลุมรรคผลในขณะนั้นในขณะใกล้บรรลุนิพพานสติกำหนดรู้มักปรากฏชัดขึ้นเรื่อย ในที่สุดจะสลัดอารมณ์ที่เป็นสังขารเข้าไปสู่พระนิพพานที่ดับสังขารโดยสิ้นเชิงผู้ที่บรรลุธรรมแล้วมักพูดถึงอารมณ์ปัจจุบันและการกำหนดรู้ที่ปรากฏในขณะนั้นว่าดับไปโดยฉับพลันขาดไปทันทีเหมือนใช้มีดตัดเถวันตกไปทันทีเหมือนโยนของหนักลงไปหลุดออกไปทันที เหมือนของหล่นไปจากมือพ้นไปทันทีจากเครื่องพันธนาการดับไปอย่างรวดเร็วเหมือนสะเก็ดไฟออกจากที่มืดทันทีเข้าไปสู่ที่สว่างออกจากที่รกชัดทันทีแล้วไปถึงที่โล่งแจ้งจมหายไปทันทีเหมือนจมน้าหยุดชะงักทันทีเหมือนฉุดคนที่วิ่งมาด้วยความเร็ว หายไปโดยไม่มีอะไรเลยขณะที่ผู้ปฏิบัติธทำบรรลุความดับสังขาร น, นั้นสั้นมากเกิดขึ้นเพียงชั่วขณะจิตหนึ่งต่อจากนั้นจึงได้พิจารณาว่าความดับดังกล่าวเป็นการบรรลุธรรมหรือมรรคผลนิพพานผู้ที่มีความรู้ในการปฏิบัติย่อมเข้าใจว่าสภาพที่ดับสังขารเป็นพระนิพพาน สภาพที่ยังเห็นความดับโดยประจักษ์เป็นมรรคผลเราได้พบนิพพานแล้วได้บรรลุโสดาปฏิมรักและโสดาปฏิผลแล้วผู้ที่มีความรู้เช่นนั้นย่อมสามารถพิจารณาได้อย่างบริบูรณ์และยังพิจารณาได้อีกว่ากิเลสที่ถูกละได้แล้วมีกี่ประการกิเลสที่ยังเหลืออยู่มีกี่ประการ เมื่อพิจารณาดังนี้แล้วผู้ปฏิบัติธรรมมักย้อนไปกำหนดสภาวะธรรมทางกายและทางใจเหมือนเดิมในขณะนั้นรูปนามมักปรากฏให้เห็นว่าเกิดขึ้นและดับไปอย่างชัดเจนทำให้เข้าใจว่าการกำหนดไม่ก้าวหน้าเหมือนขณะก่อนที่พบกับความดับไปความจริงแล้วเป็นการย้อนกลับไปบรรลุญาณ ที่ยังเห็นความเกิดดับอีกครั้งหนึ่งพระอริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันเป็นต้นไปจะเกิดอุทภพย า, ยานเป็นยานแรกข้อนี้ต่างจากปุตุชนทั่วไปที่เกิดนามรูปปริเฉทยานก่อนดังคำพีวิสุทธิมักกล่าวว่าโดยแท้จริงแล้ว อริยาสาวกผู้ต้องการจะเข้าผลสมาบัติต้องหลีกเร้นอยู่ในที่สงบกำหนดเห็นสังขารด้วยวิปัสนาญาณมีอุทัพยาญาาเป็นต้นโดยเหตุที่อุทัพยาญาาปรากฏผู้ปฏิบัติธรรมจึงเห็นแสงสว่างหรือนิมิตอารมณ์ต่างๆบางท่านเมื่อเริ่มกำหนดได้พบว่าสติไม่อาจรู้เท่าทันอารมณ์ปัจจุบันได้ บางท่านเกิดทุกขเวทนาเล็กน้อยเพียงชั่วขณะแต่ส่วนใหญ่มักจะมีจิตที่ผุดพองปรากฏอย่างต่อเนื่องและรู้สึกเป็นสุขสบายอย่างยิ่งเหมือนกายและใจอยู่ท่ามกลางท้องฟ้าแม้จะตั้งใจกำหนดจิตดังกล่าวก็กำหนดไม่ได้หรือแม้จะกำหนดได้ก็ไม่รู้ชัดเจนอีกทั้งยังปรารถนาความคิดฟุ้งซ่านโดยสิ้นเชิง มีเพียงความสุขสงบปรากฏชัดเจนเมื่อจิตผุดผ่องนั้นลดกำลังลงผู้บรรลุธรรมนั้นย่อมอยังเห็นความเกิดดับได้ต่อไปเมื่อปฏิบัติธรรมต่อไปเขาย่อมบรรลุถึงสติที่ละเอียดอ่อนและเมื่อปัญญาแก่กล้าขึ้นก็จะบรรลุสภาพดับสังขารได้เหมือนก่อนบางท่านที่มีกำลังสมาธิ และปัญญาแก่กล้าพออาจบรรลุสภาพที่ดับไปของสังขารได้เสมอๆตามในดังกล่าวนี้ข้อนี้เป็นการเข้าผลสมบัติของพระโสดาบันซึ่งอยู่ในความสนใจของคนสมัยนี้ที่มักมุ่งหวังจะบรรลุโสดาปฏิผลเป็นหลักผู้ที่บรรลุมักผลแล้วมักมีสภาพจิตแตกต่างไปจากเดิมเหมือนเกิดใหม่ ศรัทธาที่เป็นความเลื่อมใสและความผ่องใสแห่งจิตจะมีกำลังแก่กล้ามั่นคงปิติและปะสัสสิก็จะมีกำลังแก่กล้าด้วยกำลังศรัทธาอีกทั้งความสุขจะปรากฏตามธรรมชาติผู้บรรลุธรรมจะไม่อาจกำหนดรู้ศรัทธาปิติปสัสธิและสุขอย่างชัดเจนได้ในเวลาที่เริ่มบรรลุธรรม เพราะทำเหล่านั้นมีกำลังแก่กล้าเมื่อเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงหรือหลายวันทาดังกล่าวจะค่อยๆลดกำลังลงเขาย่อมสามารถกำหนดได้อย่างชัดเจนบางท่านจะรู้สึกเหมือนเบาสบายจนกระทั่งไม่อยากกำหนดหรือรู้สึกว่าเพียงพอแล้วความรู้สึกนี้เป็นความสันโดษของผู้หวังเพียงบรรลุมรคผลขั้นแรก การเข้าผลสมาบัติผู้ที่ต้องการจะเข้าผลสมาบัติเพื่อเสวยนิพพานสุขในปัจจุบันชาติพึงกำหนดรู้เหมือนเดิมโดยวิปัสสนาญาณขั้นแรกคือนามรูปปริเฉทะยานย่อมาปรากฏแกปุตุชนเป็นลำดับแรกแต่สำหรับพระโสดาบันอุทพยญาณยาแก่กราจะมาปรากฏก่อน เมื่อบรุญยานดังกล่าวโดยอย่างเห็นความเกิดดับทั้งสองอย่างนี้ได้แล้วจะผ่านลำดับยานขั้นต่อไปไม่นานนักก็จะบรรลุ ถ, ถึงสังขารุเปกขายานที่มีการกําหนดละเอียดเบาบางเมื่อยานที่บรรลุมีกําลังแก่กล้่าแล้วจะสามารถข้ามไปสู่อารมณ์ใหม่คือพระนิพานที่ดับสังขารโดยเกิดผลจิตอย่างต่อเนื่อง ผู้ที่ไม่ได้อธิษฐานจิตเพื่อเข้าผลสมาบัติอาจเกิดผลจิตเพียงขณะจิตเดียวบ้างก็เกิดนาน5นาที10นาที15นาทีครึ่งชั่วโมงหรืออาจนานถึง1ชั่วโมงในคำภีอธกิกถากล่าวว่าผลสมาบัติอาจเกิดได้ตลอดวันและตลอดคืนหรือเกิดได้ตลอดเวลาที่อธิษฐานไว้ ในปัจจุบันพบว่าบางท่านที่มีกำลังสมาธิและปัญญาแก่กล้าสามารถเข้าผลสมาบัติได้นาน1ถึงสชั่วโมงบ้างเป็นต้นตามเวลาที่อธิษฐานไวเมื่อครบเวลาแล้วจึงออกจากผลสมาบัติอย่างไรก็ตามในเวลาที่เข้าผลสมาบัติอยู่เมื่อเวลาผ่านไป 1-2 สองชั่วโมง จิตที่พิจารณาอาจปรากฏขึ้นได้สี่หรือหขณะพึงกำหนดรู้จิตนั้นแล้วเข้าผลสมาบัติต่อไปได้ตามในนี้ผู้บรรลุธรรมจะพบว่าพลจิตสามารถดำรงอยู่ได้หลายชั่วโมงอย่างน่าพอใจและในขณะนั้นจะไม่รับรู้อารมณ์ใดเลยที่จริงแล้วพระนิพพานเป็นสภาพที่พ้นไปจากสังขาร คือรูปนามและบัญญัติที่เนื่องด้วยโลกนี้และโลกอื่นดังนั้นในขณะที่เข้าผลสมบัติจะรับเอาพระนิพพานเป็นอารมณ์จิตจึงไม่รู้เรื่องราวของโลกนี้หรือโลกอื่นอีกทั้งปราศจากความซัสดสายฟุ้งซ่านแม้อารมณ์อื่นผ่านเข้ามาทางทวารเช่นรูปเสียงกลิ่นและสัมผัสเป็นต้น ก็ไม่ปรากฏแก่เขาแม้อิริยาบถนั่งในขณะเข้าผลสมาบัติก็มั่นคงไม่น้อมลงหรือขยับเคลื่อนไหวดังข้อความว่าตัทฐะอัปนาชวนังอิริยาปฏิทปิสันนาเมติในบรรดาจิต75ดวงนั้นอัปนาชวนาจิตย่อมทรงร่างกายไว้ได้ เมื่อกระแสพลจิตขาดหายไปผู้บรรลุธรรมอาจพิจารณาถึงสภาพดับไปของสังขารหรือสภาพที่บรรลุความดับสังขารหรืออาจพบเห็นนิมิตอารมณ์ต่างๆก่อนหลังจากนั้นจิตก็ประกอบด้วยสติตามรู้จิตที่ผุดพองหรือจิตที่พิจารณาย่อมเกิดขึ้นตามสมควรเมื่อเริ่มกําหนดก็มักพบเห็นความเกิดดับอย่างหยาบ หลังจากที่วิปัสสนาญาณแก่กล้าขึ้นจึงกำหนดรู้อย่างต่อเนื่องละเอียดอ่อนในขณะนั้นควรตั้งจิตอธิษฐานเพื่อให้บรรลุผลสมาบัติได้เร็วและดำรงอยู่ได้นานแต่ในการกำหนดระยะต่อไปไม่ควรกังวลหรือคาดหวังการอธิษฐานของตนบางท่านพบว่าถ้ากำลังวิปัสสนาอย่างไม่แก่กล้า ถึงขั้นเข้าผลสมาบัติได้ก็อาจจะมีคนลุกชูชันในบางขณะที่สมาธิมีกำลังมากขึ้นหลังจากนั้นสติอาจไม่ต่อเนื่องเหมือนเดิมบางท่านอาจคาดหวังว่ากำลังจะเข้าผลสมาบัติกลับทำให้สติขาดช่วงไม่อาจบรรลุสมาบัตินั้นได้ในกรณีเช่นนี้ ถ้าการคาดหวังเกิดขึ้นก็ควรกำหนดที่การคาดหวังนั้นด้วยบางท่านพบว่าสติจะไม่ต่อเนื่องอยู่เป็นเวลานา น, านก่อนจะสามารถบรรลุผลสมาบัติได้ที่จริงแล้วกำลังสมาธิและปัญญาเป็นหลักในการเข้าผลสมาบัติถ้ากำลังของธรรมทั้งสองมีไม่มากก็จะทำให้บรรลุผลสมาบัติได้ช้าหรือดำรงอยู่ไม่ได้นาน